ฐานแท้คุกติตา่นานแท้ท่านทำนรับแท้สมณะแท้ ก, แทก็คือพูดมุ่งต่ออัตต่อธรรมอย่างแท้จริงก้างพุธการและหลังพุทธการนาคกามีเนื้อแท้เป็นส่วนมากว่าเก้าปรเซ็ ัตำแหนับตุลาเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตมบัอของสาวกออกอามาจากธาตุชั้นอย่าหน้าต่างๆาท่านเคเห็นสิ่งอย่างนั้นเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมที่ท่านมุนะ่งมาเพื่อปฏิบัติแต่ยึดธรรมนั้นเป็นสมบัติท่านเทดิดทูนที่สุดแม้ว่าองค์ใด บรรดาสาวกมีทั้งพระราชามหาสัตว์มีทุกทั้งในบรรดาสาวกของพระบุตรเจ้าเทนาบุดีเศรษฐีกุลปีขอค่าประชาชนคนธรรมดาจนกระทั่งถึงทุกขะตะเฉลใจพระงไม่ทรงทรัรงเกียจทำรังเกียดใครนอกจากมีความเมตตา เป็นพระทัยก่อนพระพุทธเจ้าและเต็มใจของสาวกเท่านั้นท่านไม่มีอะไรที่จะทําให้ยิ่งให้ตัวความยิ่งนั้นไม่ใช่ธรรมนั่นคือกิเลสมันพองตัวขึ้นมาทําให้คนหลงท่านเป็นผู้มู้นท่านทำท่านปฏิบัติเพื่อเพื่อทําออกมาจากตะกุนที่ละเอียดอ่อนที่สุดก็คือตะกุนมหาพระสัตร ไม่ว่าที่อยู่ที่หลักที่นอนปัจจัยทั้งสี่ซึ่งเป็นเครื่องเสวของพระมหากษัตริย์ต้องละเอียดอ่อนทั้งร่าง น, นี้เวลาท่านเสด็จออกมาบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้านี่เราไม่ได้หมายพระพุทธเจ้าโดยพระองค์ตังเดียวเท่านั้นหมายถึงสาวกทั้งหลายซึ่งมีอยู่จํานวนมากที่เป็นพระมหากษัตริย์เสด็จออกบวช แล้วมีอะไรที่ติดพระองค์ไปบ้างพอที่จะแสดงเครื่องหมายของมหากษัตริย์อันเป็นิสัยของโลกมาเจอปนมันไม่มีเลยในประวัติของสาวกทั้งหลายเมื่เด็ดออกมาแล้วปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นเครื่องอาศัยของกษัตริย์ตัดทิ้งหมดมีเหลือแต่ปัจจัยทั้งสี่ที่เป็นที่อาศัยของสมณะทั่านั้น ปัจจัของสองนา น, นี้แล้วแต่จะเกิดจะมีจากตถาญาติโมทั้งหลายที่พวกเขามีใจบุญให้ทางตามกําลังตถาของเขามากน้อยดีชั่วกต่นิจบันตรงนี้ชนิดใดก็แย่แต่ตามกําลังตถาความสามารถของเขาที่บํารุงพระท่านพอใจทั้งนั้นเพราะใจท่านเป็นธรรมแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้บรรลุธรรม มีความแตกต่างกันในสมัยนั้นกับสมัยนี้จึงเป็นเหมือนคนละโลกเหมือนไม่ใช่ศาสนาเดียวกันในส่วนพ่อข้าวประชาชนทีน่เป็นผู้นักสมบุกสมบันมาแล้วนั้นเราไม่ต้องผูดพูดถึงท่านผู้ถี่มีความละเอียดก่อนในทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาปัจจัยตลอดอาการที ย, รรยางระยะที่ทรงแสดงออกในพระมหากษัตริย์ที่เกิดออกมาก บวนั้นเป็นความละเอียดอ่อนมากทุกแง่ทุกมุมท่านดัดแปลงที่จะเหมาะในความทุกข์ยากลำบากท่านไม่สนใจแบบพระหรือเกี่ยวแบบพระเป็นอย่างไรแบบสมณะเป็นอย่างไรท่านนำแบบสมณะนั้นมาประพฤติปฏิบัติยึดเป็นหลักใจอง่าคารวะ ที่ใสไม่เคยออกมาเกี่ยวคล้องเลยนั่นพระแท้ท่านเป็นยังไงหนูออกไปอยู่ตามป่าตามเขาจะมีอะไรเป็นที่อาศัยเพราอให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างโรคๆเขาเขอต้องตามสภาพอย่างที่เราไปเที่ยวในป่าใน<ม>เขาเราก็พอทราบแล้วว่าเป็นยังไงเขากินโทษนับทางใช้ขอยยังไงเขาก็ให้ตาม มีตังขู่ตังเขาลองศรัทธาของเขาอย่างนั้นเราก็พอสราบได้แล้วอยู่ใกล้เมืองอยู่ในเมืองอยู่ในป่าต่างกันมากเรื่องปัจจัยเครื่องอาศัยเพียงเท่านี้เราก็พอเทียบได้แล้วกับครั้งกุฎกาที่บรรดาสาวกทั้งหลายท่าน เร่มเป็นในป่าในเขาปกติท่านเป็นอรันท่านอยู่ในอรันวาสีอย่างน้อยอยู่ในป่าห่างจากหมู่บ้านยี่สิบห้าเซนหนึ่งกิโลห้าร้อยชั่วขาถทนโ ม, มันก็ยีส่สบห้าเซนเที่ยอยู่ในป่าเราไปมองต่ น, นั่นในเขาในถ้ำเหมืองถ่าต่างๆท่านจะรับความสะดวกสรายมาทจากไห น, นแต่จิตใจของท่านเป็นธรรม อย่างแท้จริงอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ไบรรลุธรรมกำลังผลขวายทำอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ใจคลายเก่าธรรมจริงๆด้วยจิตใจเป็นธรรมจริงๆด้วยอ น, นี้นบรรดาสาวกทั้งหลายที่ท่านเป็นเจ้านางกะาัะฉามีของพวกเราท่านดำเนินลำ น, นั้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงอย่ามองใครในโลกนี้ให้ข้ามพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก และทำคือแบบบคบไปเราจะไม่ผิดหวังทุกยากลําบากก็ให้ถือพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นแบบเป็นฉบับท่านทรงลําบากลําบุญมาด้วยกันทั้งพระพุทธเจ้าและสาวกจำนวนมากไม่ใช่ทำมาล่างมือเปิดให้เราคิดว่าอย่างนี้ผู้ปฏิบัติจะเป็นเครื่องเตือนจิตใจของตนให้มีความเข้มแข็ง ยิ่งขึ้เพราะอาศัยท่านผู้มีความเจ็บแผงได้พาเดินผ่านไปแล้วว่าการดำเนินเพื่อข้ามมัตะสงสารอันเป็นกองมหันตทุกข์ไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ตายตัวนี้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปด้วยความยากความลำบากดังที่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านดำเนินมาแล้วท่านต้องผ่านความทุกความทรมารยิ่งเป็นผู้ออกมาจากสกุล สูงใน ล, ละเอียดละอ่อด้วยแล้วก็ยินเลยรับความกระทบกระเทือนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆมากยิ่งกว่าเพราะค้าประชาชนซึ่งเคยสมบุกสมันมาแล้วมาบวชอยู่ด้วยกันเพราะคำว่าคนคนไม่เหมือนกันผู้เคยกินกับสิ่งใดสถานที่ใดก็ย่อมเป็นไปตามนั้นเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลง ก, ก็ต้องเลยรับความทุกข์ความลมา แต่ท่านไม่สนใจทำอยู่จเป็นอย่างไรจะควรรู้เห็นอัจทำได้ด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าทรงพระโอวาทว่าอย่างไรท่านดึษนั้นเป็นหลักเป็นเกณฑ์พึ่งเป็นพึ่งตายกับพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยถ่ายเดียวเท่านั้นปัจจัยทยาทานิี่เกิดอาศัยทั้งหลายถือเป็นเพียงว่ายัางชีตให้เป็นไปพอได้บังเพิ่มสมาทําให้เป็นไม่ตหน่ย ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ตามความมุ่งหมายที่มุ่งมาอย่างยิ่งนี้ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่กังวลกับเรื่องโลกามิภายนอกยิ่งกว่าอารทมนี่คือหลักเจนของใจพวกเราที่จะยึดคือพุททางสนงังคตฉามิตัปติจากทรงดำเนินอย่างไรได้พูดให้ฟังแล้วมารู้กี่ร้อยกี่พันี่หมื่นหนแล้วเนี่ย ภาษาคังสนังกระถามนี้นั่นให้ยึดหลักการดําเนินของท่านอย่าไปมองเห็นผู้อื่นผู้ใดว่าวิเศษมิโสยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกอย่นี้นการดําเนินก็ไม่มีผู้ใดที่จะดําเนินละเอียดสุ ข, ขุมถูกต้องแน่นยัมอันเป็นไปเพราะความพ้นทุกข์โดยไถ่เดียวจนถึงกับความพ้นทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเรายึดอย่างนี้ ทุกยอมรับว่าทุกทําไมจะไม่ทุกของการฝากฝืนกิเลสการตอบรู้กิเลสซึ่งเป็นมหาอนาจครองอยู่บนหัวใจเรานี่มันครองมานานเท่าไหร่เราเองซึ่งเป็นครั้งของกิเลสเรายังไม่ทราบเลยว่ากิเลสนี้เคยครองหัวใจมานานเท่าไหร่นี่ตอนสาคัญที่ตอนนี้แล้วมันจะไม่มีอำนาจมากอย่างไร และการต่อสู้ที่จะปลดเครื่องกิเลสหรือใช้นีอานาจเหนือกิเลสนี้จะไม่เป็นถ้าไม่ทําเป็นนักต่อสู้เหมือนพระพุทธเจ้าลสาวกท่านเราจะหาชัยชนะมาจากอะไรความทุกข์ความยากความลําบากในเรื่องหน้าที่การงานโลกนี้เป็นโลกสร้างอดีสร้างขี้เพราะไม่ใช่คนาตายจัดตากัดเขาก็มีงานของเขา ตืนมาหาอยู่หากินทั้งเสี่ยมอันตรายรอบด้านมนุษย์เราก็เป็นอย่างนั้นทั่วโลกดินแดนต้องทุกข์ต้องลำบากด้วยหน้าที่การงานเพื่อความเป็นอยู่ในทางนั้นนี่เราทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกปัจจัยทยางเลื้อเผือมีผู้ใจบุญเต็มปรเมืองไทยเราที่จะคอยสนับสนุนผู้จรเอาจริงเอาจังเพื่อ ป, ปฏิบัติ น่าเคารพกราบไหว้บูชาขอส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนี่มีอยู่เยอะเพราะงั้นเราจรึงไม่เห็นมีความลำบากอะไรกับสตุปจัจจายนี้นอกจากจะเหลือเฟือหรือพุ่งเฟอหรือพ่วงมันก็น จ, จะตายทําหาที่องอกงามไม่ได้เท่านั้นแหนวหน้าที่ของเราที่จะบงเพ็นตนให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยตามอัตตามธรรมดังกระพุทธเจ้าเรีสาวกทั้งหลายท่านดําเนินมาและประธานเอาไว้นี้ทําไมเราจะดําเนินไม่ได้ ความทุกข์โลกยอมรับกันแล้วว่าทุกข์ด้วยการโน้มนงานดีเราทุกข์ด้วยการงานเพื่อการดำเนินให้ถึงความพ้นทุกข์เป็นทุกข์ที่บริสุทธิ์ใจเป็นทุกข์ที่ไม่ต้องมีสิ่งใดเข้ามาเคลือกแฝงให้เป็นความทุกข์ความทรมานสืบต่อไปในการข้างหน้าเหมือนงานอื่นๆซึ่งเสี่ยงต่อผลเสียหายทั้งหลายดังที่โลกเขาทากัน งานนี้เป็นงานที่เริิ์ต้องพากันตั้ง อ, อกตั้งใจไปเพฤ่ิปฏิบัติให้มีความเข้มแข็งอาหารยาเป็นผู้อ่อนแอนี่นี่ลหละคือทางเดินเพราะความอดลการดำเนินอย่ามองที่ไหนมองที่เละให้มองอยู่ที่หัวใจใจนี้สร้างที่เละจูดตลอดเวลาอาวิชชาปัญญาสั้งข้าราฟังออกอวิชชานั้นเป็นสถานเป็นแหล่ง เป็นพลังงานที่จะผลักดันออกมาทางสังฐานทางวิญญาณทางตาหูสมุกลิ้งกายมันผลักดันออกมาเพื่อจะสื่อต่อกับสิ่งภายนอกแล้วกว้านเอาความทุกข์ความลาบากเข้ามาหาเราเมื่อเราไม่มีสติรู้รอบกับสิ่งเหล่านี้จะต้องสั่งสมเป็นเล็ยอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของแต่ละดวงระดวงบางคั้งที่ว่าเราเนี่ยเป็นนักกติบัติเราจะทราบนี้ได้อย่างแชัดเจน ถึงขั้นที่ควรจะทาบ ป, ปิดไม่อยู่นี่เคยปฏิบัติมาแล้วไม่ได้คุยเวลาล้มลุกคุครานก็ให้รู้ว่าล้มลุกครานแต่พยายามจะทําตัวหแข็งให้ทําตัวให้เฉนิดํานานไม่ล้มลุกครานมันเป็นตั้งแต่ระยะพันเดิมแหละเป็นธรรมดาด้วยกันพยายามฝึกเข้ามันก็มีความคานานมีความเข้มแข็งนี้ความหล่องแคล่วกล้าขึ้นโดยลํำดับทั้งสติทั้งปัญญาทั้งศรัทธาความเพียรมาพร้อมๆกัน เขาสู่หวัวใจดวงเดียวนี้เพื่อเป็นพลังกําจัดกิเลศ อ, อาสะวะทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าอานาจของหวัวใจนี้ให้โดยลําดับเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีกําลังมากเขาเดินหนักและจ้องสมเข้าไปสู่ภายจิตใจนี้แล้วเราจะทราบการสร้างกิเลศตันห า, าสะวะการสร้างของทุกของกิเลศประเภทต่างๆมันสร้างที่หวัวใจ แล้วก็รู้วิธีแก้ไขไปโดยลำหนักลำหนักจะเข้าใจว่าขี้เล็ดอยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจวัดตจาจักแท้คือดวงใจนั่นแหละพ้าให้หมุนเวียนเปลี่ยนกปลเกิดแกเ่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ยั้งไม่มีอะไรได้พิจารณาเต็มทัศน์กำลังมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่สงสัยว่าสิ่องอื่นใดที่จะพาให้เกิดนอกจากอวิชชาปฏิยาสร้างข้าลาที่แนบสนิทอยู่กับหัวใจจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นอวิชช า, า, านี่เท่านั้นนี่เป็นหลักใหญ่ ไล่เข้าไปมาเห็นเองอจุดนี้ตัวสาคัญเหนือชื่ออันสาคัญตาให้ทองเที่ยวบริษัทบริวารก็ออกเนีะออกทางตาออกทางสมุขที่นกายออกทั้งออกทางเวทนาปัญญาตัา้งขันหมื่นอย่างมีถึงแต่เรื่องของกิเลสรืออวลาของกิเลสทั้งนั้นกระดิกตัวเอาเพื่ออะไรมีแต่เรื่องของกิเลสหลังไหลออกไปเที่ยวกว้านเที่ยวเอาอะไรอะไ ผลความทุกข์เข้ามาสิ่ตัวของเราความทุกข์คือผลที่เกิดขึ้นจากความคิดตรุงเหล่านี้อันเนื่องมาจากวิชาผู้ผลักดันออกไปเพราะเป็นนาใหญ่โดยเหตุ น, นี้นท่านจึงต้องสอนให้มีความเข้มแข็งทนนกําหนดลงไปที่นี่สติปฐานสี่นั่นสังสี่นี่ละหลักทำแห่งการรับรองเพื่อมรรคผลยุทธานหลักทำแห่งการรับรองเพื่อป ร, ราบยิ่เหตให้ราบเรียบ สติปัฏฐานสี่หรืออริยสัจสี่นี่เป็นหลักใหญ่มากทีเดียวแล้วสติปัฏฐานสีคออน่คืออะไรอยู่ที่ไหนอริยสัจสี่คืออะไรอยู่ที่ไหนนี่เราทราบด้วยกันแล้วอย่ามองข้ามมันไปเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติที่จะเป็นศิตตถานพจนจะให้หลุดพ้นออกจากมหันตโทษมหันตทุก์ที่จงอยู่ภายในจิตใจนี้เพราะอำนาจของกิเลส เราต้องเอาให้เต็มที่เต็มฐานเอาให้เห็นใครช น, นะปะโดยลำดับลำดนบยิงที่ว่าเป็นผู้มีความสามารถเป็นผู้อ า, านารจัดตามมาพระบาทของพระพุทธเจ้าให้ทันและตามรอยเท้าของสาวกทั้งหลายให้ทันด้วยการประพฤติปฏิบัติมีความเข้มแข็งไม่อ่อนแอจิตเป็นตัวปรุงตัวคิด ตรงอยู่ตลอดเวลาที่อยู่ตลอดเวลามีสติมันก็ผิดไม่มีสติมันก็ผิดคิดตามธรร ม, ารมาชาติของจิตนั้นคิดด้วยอํานาจของอวิชชามันอวิชชาผลักดันออกมาให้คิดจึงเป็นเรื่องของสมไทย 99% หากเป็นผู้ปฏิบัติหากเราไม่ทั้งจิตจะเป็น 99% ด้วยนะี่ต้องเป็นเรื่องของสมุทั ในขณะเราเผลอมันก็น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นั่นแหละพุ่งออกมันปรุงออกมาเรื่องอะไรเรื่องรนะักเรื่องทางเรื่องโกรธเรื่องเสียเสียใจดีใ จ, ดใจอดีตอ น, นาคตมันก็ไม่หนีไปจากความรักความทังความโกรธความเสียดน่คะทั้งนั้นมันไม่หนีจากนี้แล้วมันออกมาจากใจเป็นผู้วาดภาพวาดถึงนั่นตลอดเวลาปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงขึ้นมาแล้วจิตก็เติมตามคล้อยตามก็เติมตาม จิตเราอยู่ได้เฉยวันหนึ่งก็ไม่ต้องมีภาพคือความคิดปรุงของตัวเองมาหลอกมันไม่ได้หรือแล้วอยู่ด้วยความหล่หล้อนของจิตทั้งนั้นแต่เรายังไม่ทราบเวลาที่พระท่านจรินต้องพิจารณาจิตให้มีความสงบเย็นพลอสัสงขวดเอาท้ายปัญญาคุ้ยเกียวปุดค้นลงในสติปัฏฐานสี่คือกายกายานีปป่ปรัชนาท่นันวิจารณ์เห็นแส้งในกายในกายนี้มีอะไรบ้าง ดูด้วยความเจาะจงดูด้วยความมีสติดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นด้วยความสนใจจดจอ่อจริงๆนั่นเรียกว่าความเกลียดไม่แค่ดูสักแต่ว่าดูพิจารณาจักแต่ว่าพิจารณาไปรูปคําคําไปแล้วพอเตลิดเปิดเติงหนีไปทางอีกเสียให้สมุทัยคือกิเลสมันหลอกไปเสียอย่างนั้นไม่จับว่าเป็นความเกลียดไม่จับว่าเป็นผู้พิจารณาสติปัฏฐานสี่เพื่อการดื้อถอนกิเลส ตัวอุปทานยึดมั่นถือมั่นภายในกายให้หมดไปได้เราพิจารณานังที่ด้วยความมีสตินี้ทําไมจะไม่รู้พระพทธเจ้าทรงรู้กายพระกายของพระองค์แล้วก็สามารถรู้กายของสัตว์โลกได้หมดถอนได้ทั้งนั้นคือเรียกโล ก, กวิทูคําว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกนี้เป็นได้ทั้งคุณสมบัติของสาวกด้วยเป็นได้ทั้งคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าด้วยเป็นแต่เพียงว่า คุณสมบัติของพระพุธเจ้ามั่นกว้างขวางสมภูมิพุทธวิสัยคำว่าโลกวิถูนี่หมายถึงรู้แจง้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายที่กระเทือนอยู่ทั่วโลกธาตไม่มีสัตว์ตัวใดบุคคลใดที่จะไม่มีสัจธรรมอยู่นี้เป็นแต่เพียงว่าจะครบหรือไม่ครบเท่านั้นสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผึดขึ้นมาจึงจะถึงจะเป็นสัจธรรมประเภทแก้ไขนิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นจากนะ มาฆาปฏิปทาชวนทุกกับสมุทัยนั้นน่ะมันไม่อยู่ทุกตัวแต่ตัวบุคคลนั่นเพราะอันนี้มันเป็นอัตโนมัติวัตจักรของมันท่าเป็นมาอย่างนั้นเพราะอานาจแห่งอวิชชาจึงต้องเลิกพิจารณากายให้เห็นดูตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปครับผิวหนังข้างนอกกับหนังข้างในเป็นอย่างไรเพียงหนังอันเดียวกันนี้มันข้างนอกกับข้างใ น, นมันต่างกันอยู่แล้วให้เห็นชัดๆตามหลักความจริงเป็นอย่างนั้น เราพิจารณาให้พิจารณาเห็นตามา ค, าาความจริงอย่าค้านอย่าแย้งความจริงซึ่งเป็นพระอว่าของพระเจ้าท่านบอกเป็นของปฏิกูลเราดูข้างนอกมันก็เต็มไปด้วยหมุดโดยขุดดูแล้วอจริ่งเมื่อขี้ใครจะไม่เรียกว่าขี้เลยมันเต็มอยู่ไม่ว่าข้างบนข้างล่างสมมติกันไปอย่างนั้นนว่าข้างบนข้างล่างถือศีรษะถือกันนั้นถืออย่างนี้ ขี้มันไม่ได้ถือมันมีอยู่กันข้างบนศีรษะคนที่หัวขี่ศีษศีรษะที่ใครเต็นไปหมดนะมันถือไหมเราจะประหลงพี่ณาให้มันเห็นตามความเป็นจริงของมันเรื่องของปฏิคูณทั้งที่มันเป็นอยู่และเวลาสลายไปเป็นยังไงอีกเวลาแตกดับแล้วเป็นยังไงยิ่งจะแดงออกมาอย่างเปิดเผยเวลานี้มีเพียงหนังหุ้มห่ออยู่เท่านั้น พอดูกันได้มนุษย์ออกพอถลกหนังแล้วดูกันได้อย่างไรทั้งหญิงทั้งชายดูกันไม่ได้มีหนังเท่านั้นเป็นเครื่องพรางตามบูตามฝาันผิวหนังบางๆเท่า น, นั้นเองเรายังแทงไม่ทะลุแต่ว่าเรามีปัญญาเชื่อเหนสนาแหลมคมได้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านแทงทะลุสาวกท่านแทงทะลุ ปัญญาของท่านเป็นอย่างนั้นยังล้งให้สู่ความปีนยาปีนเกลียวกับทำสิ่งที่ไม่สวยว่าสวยสิ่งที่ไม่งามว่างามสิ่งที่ไม่ว่าไม่มั่นคงว่ามั่นคงสิ่งที่ไม่ใช่ใเราเป็ น, เ ป, นเป็นอะไรช้งตุกขัางหน้าตาก็ว่าเราเราจะได้มันปีนเกลียวกับทำของมือแก้วอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ก็ชื่อว่าสู้กิเลสไม่ได้กิเลสท้าให้ปีนเกลียวก็ปีนปีนไปมันปีนเกลียวอยู่ตลอดเวลาตลอดกิเลส ปีนเกลียวกับธรรมต่อสู้กับธรรมเป็นเพราะที่เล็ดเป็นภาพศึต่อธรรมอยู่ทั้เหมอจึงต้องฝืนอยากดูก็ไม่ดูถ้าจะเกิดทิ่เล็ดอยากฟังก็ไม่ฟังถ้าจะเกิดที่เด็ดสัมผัสอนาปาตางตาหูจมูกริางกายใจจะคิดจะปรุงจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นจะทําให้เกิดทิ่เล็ดแล้วต้องฝืนทั้งน้ำหักห้ามกันอย่างหนัก น, นอกจากนั้นแล้วยังคุยเกี่ยวขุดค้นในสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งถืกวิสัยเพราะมันมีอยู่แล้วกิเลสภายในใจใดูตามหลักความจริงของมันจะดูอาทุพาก่อนดูในร่างกายของหนอนนี่มันมีตรงไหนเท่าเมตถิมิชามีไหมที่ไม่เป็นของปฏิกูลโฉโครกนีม่มีไหมมันไม่มีมันเต็มทั้งร่างนี้หมดเนี่ยจะเอาเข็มแทงลงไปมันก็เจอตั้งแต่จิต สโสกโปกโส โ, โเจอตั้งแต่สิเป็นอนิจจังทุกขงังนาตาทาั่านมาแล้วเราอยังเจ้าฝืนถือยึดถือมั น, นอยู่หรือทำพุทธเจ้าเป็นเครื่องบุกเบิกให้เข้าถึงความจริงพยายามพยายามิจารณานำมาใช้อจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยใช่ซึงไม่ใช่ของดีกิยยเลสมันสนกแต่เรามันทุกพรออยู่ตามหน้าของกิเลส พิจารณาให้ินจังกายญาโนปัจนาสติปัฏฐานพิจารณากายนอกก็ตามกายในก็ตามทั้งกายนอกกายในก็ตัดทันว่ากายเยกายยานปัสสิยหาติวัชตาวาบัจิตาวากายเยกายนาโนปัสติเห็นว่าเลื่อยไเมืรคยาวยะธรรมมากายเยกายยาโนกัสสิยหาติ พิจารณากายนอกพิจารณากายในพิจารณากายในากายได้ทั้งนั้นถูกต้องทั้งนั้นเพราะมันเป็นความจริงด้วยกันเมื่อพิจารณาให้เป็นความจริงกายนี่ไม่รู้สึกเรานี่ยเป็นเป็นประสาทอันหนึ่งเป็นเครื่องให้รู้ว่าตามหน้าที่รู้อย่างนั้นหูมีหน้าหน้าที่ฟังอะไรอะไรนั่นเป็นประสาทส่วนหนึ่งสําหรับรับทราบ ตามหน้าที่ของตนต้องตนแต่ไม่ใช่ธรรมชาตินั้นเป็นตัวจิตเป็นตัวรู้ตัวรู้จริงๆอยู่ที่จิตเราจะเห็นได้ชัดเจนก็ต้องนักภาวนาเท่า น, านั้นคนอื่นจะวินิจฉัยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถ้านักภาวนาแล้วปิดไม่อยู่เมื่อถึงขั้นรู้แล้วมันรู้หมดว่าอันนี้เป็นเครื่องมือเท่า น, านั้นเมื่อจิตถอนตัวไปเสียนั้นอะไรตามีมันก็ไม่เห็น ทั้งๆทงีตามให้บอดเมื่อจิตถอนตัวไปแล้วตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินกายทุกส่วนไม่มีเรื่องสัมผัสคือทําไม่รู้สัมผัสทั้งนั้นนี่เพียงย่อๆเท่านี้เราก็พอใจเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นใหญ่ที่พาให้รู้อยู่อแล้วก็คือใจแต่ใจของสา ม, มัญชนทั่วไปนี่มันทราบมันซ่นานาไปหมดทั่วสันนภาร่างกายเพราะฉะนั้นมันถึงแบกเอาหมดแบบเดียกวกับคน แบกเหแบกคนทั้งขี้นั่นอ่ะอืึความกปกดกโสรโมมก็อยู่นี่มันก็แบกเอาว่าเป็นเราเป็นของเราพ่อไมพไม่รู้กิจวพญรท่านถึงสอนให้พิจารณาให้เห็นจะเป็นทางปฏิคูณก่าตามจะเป็นทางอานิจจังความแปรสภาพมันก็เปลตลอดเวลาไม่ว่าหลับว่าตื่นไม่ว่าเวลาไหนไม่มีวันหยุดยั้งของ ปลายลัคที่จะไม่ดําเนินตามธรรมชาติของตนโดยอัตโนมัติเดินอยู่อย่างนั้นขณะที่นั่งอยู่นี้ก็เดินอันนี้จางแปรอยู่เรื่อยๆถูกครั้งบีบบังคับตลอดเวลาอนาัตตาเป็นเราเป็นของเราที่ไหนประกาศตั้งต้างอยู่ภายในตัวด้วยความจริงเราพิจารณาสิ่ง น, นี้ใค้ทราบความจริงต้องพิจารณาตามหลักธรรมชาติแห่งความจริงข้องหมัดแล้วใจรู้รู้แล้วความยึดมั่นถือมั่นมันถอนตัวของมันมาเอง ไม่ต้องไปดึงไปถอนไปลากมันห่อกเอาปัญญาเนี่ยเป็นผู้ทดสอบให้ถึงความจริงเพราะหลักธรรมเป็นคือหลักเหตุผลพิจารนาเห็นตามความจริงแล้วปิดจะถอดถอนเข้ามาเองทั้งรูปทั้งเสียงทั้งเครื่องสัง้งผัสอะไรมันก็เป็นอนิจจังทุกขงาาังนาตาเป็นอสุภาพอุุพังของวัตถภูมิเหมือนๆกันไปหมดเมือนพิจารณาได้อย่างเชิงถึงใจแล้วมั่นปล่อยมั่นถอนตัวเข้ามาเท่านั้น แม้แต่ ร, ร่างกายซึ่งเคยอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้เ <c oughs> มือ่อมันเข้าใจแล้วมันก็ถอนตัวไม่ยึดมั่นไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ด้วยอุปาทานเป็นเพียงรับผิดทอบกันอยู่เท่านั้นจะถือว่า น, นี้เป็นเราเป็นของเราจิตเป็นจิตจิตพอกับตัวเองแล้วไม่จําเป็นจะต้องยึดสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องพึ่งพิงอิงอาศัยเ <c oughs> วทนาก็เป็นเวทนาจิตเป็นจิตชุกทุกเฉยเป็นเวทนาอนิสังข์ทุกขังานานั้น โดยนานิจจเวทนาอนัตตาฟังดีจะเป็นสุขก็อนัตตาเป็นทุกข์ก็อนัตตาเฉยเฉยก็อนัตตาอนิจจเหมือนกันหยึดอะไรสิ่งนนี้เป็นสิ่งที่เกิดระเ บ, บตามหลักธรรมาชาติของเขาสัญญาสังขารยิงย่งใหญ่แต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการอันหนึ่งอันหนึ่งเท่านั้นแล้วจิตเป็นจิตจะไปยึดเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไงถ้ามาอยาก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 แม้แต่ในอัตลักษณร่างกายนี้ก็ยังเห็นอยู่ชัดๆว่าไม่ใช่มีความสุขอย่างลื่นเริ ง, เรงตลอดไปมีความทุกข์อย่างแสนสาหัสก็มีเวลาเจ็บไข้ได้ปวดที่เททกิดความทุกข์ความทรมาณในทางร่างกายจะเป็นปัจจัสาเหตุใดก็ตามอย่าเข้าใจว่าสิ่งนี้จะทำความเจ็บให้เจ็คนเลยร่างกายนี้ต้องเป็นกองไฟทั้งกองนั่นแหละแต่เผาเถ้ายิ่งมีอุปทานด้วยแล้วก็ยิ่งหนักด้วยความกังวลวุ่นวาย โรคของจิตยิ่งเป็นโรคที่หนักหนามากถ้าพิจารณาไม่ทันการพิจารณาให้รู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้จะเป็นอนิจจังก็ให้ทราบครับอทุปาทูปังเนี่เป็นสิ่งสําคัญมากปฏิปูลเป็นหลักใหญ่มากควรพิจารณาข้างนอกก็พิจารณาหน้าข้างในพิจารณาหน้ากี่ครั้งกี่หนตลกทบทวนอยู่กับนั่นเลยก็ได้พิจารณา ตั้งขึ้นมาให้สวยให้งามข น, นาดไหนตั้งขึ้นมาพ่เลรศมันหลอกเราแล้วเราก็ต้องหลอกพ่เลรศเหมือนกันแล้วเขากําหนดพิจารณามันแตกกระจายลงไปหเห็นอย่างประจักษ์ใจเพราะเป็นความจริงเหมือนกันเมื่อมันชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความปล่อ ย, อยประธานนี่มันหนักหนักมากภูเขาทั้งลูกนั่นเราจะว่ามันหนักได้ไงใครไปเคยแบดภูเขา พรูเขาทั้งลูกมาทับหัวใครบ้างไม่เคยมีมาทับหัวใครเขาอยู่เฉพาะเขาแต่ร่างกายนี่พาราฮาเวย์ปัญจขั้นฐานอันนี้มันเป็นภาระอันหนักท่านบอกพาราฮาเวย์ปัญจปัญจขันตั้งห้าเป็นพาระอันพาระอันหนักหนาแน่นถ้าไม่ได้บอกภรูเขาทั้งลูกมันเป็นภาระอันหนักหนาท่านไม่ไหวท่านว่าเป็นจะขันสังมันต้องให้พิจารณาตรงๆหนี้ ดูข้างนอกดูข้างในกําหนดถ้ามันแตกก็จับกระจายลงไปทิเบตมันทำไมมันถือว่าเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นของสวยของงามซึ่งเป็นสิ่งที่เปียนเกลียวกับความสิมเอามากมาพิจารณาเห็นตามความสิงตามหลักธรรมนี้มันก็ปราบทิเบตได้ทำจริงความว่าสวยว่างามมันก็หมดไปความว่าเที่ยงท้าวันมันก็หมดไปความว่าเราว่าของเรามันก็หมดไปหมดไปหมดไปความกังวลก็หมดไปอุปทานมันก็หมดไป ก็เท่ากับดราปลดเครื่องฐานะอันหนักออกจากใจใจก็ดีขึ้นโดยธรรมะมีการพิจรารณาพิจรารณาอย่างนี้เอาให้จิมให้จังมัรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันอยู่ภายในจิตวิีิยหลศมันเป็นปัจจุบันมันเกิดได้ทุกเวลาความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไร มันเกิดได้ตลอบเวลาขอให้มีช่องมันเกิดมันไม่สอยไม่มันไม่มีปี่มีขลุยอะไรมันเกิดอย่างนั้นไม่มีพิธีรีตองอะไรมันเกิดขึ้นได้กาเป็นช่องให้มันเกิดการปฏิบัติธรรมจริงไม่ควรที่จะหาเวลาเวลาหาอิเดียบอกหาการหมายลึดพิธีต่างๆเอาให้จริงให้จังกำหนดลงไปที่เรศเกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กำหนดพ่จาร่ามันสำคัญมันหมายว่าอะไรเป็นอะไร ปัญญาติดต่างให้มันรู้ชัดขึ้นมาหลายครั้งหลายสมัยก็รู้ชัดเองได้มี่สิทธิปฏิบัติมาทำอย่า ง, งนี้ผมเรที่ตวิจารณ์กับเพื่อนพราะเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่เป็นของแน่นอนแเราต่างคนก็เป็นอิสระทุกขงังหน้าตาและอยู่ในโล ก, กอิสรงทุกขงังหน้าตาจะหาควาแน่นอนได้อย่างไรมีการพับกล้าจหาบแต่งไม่เป็นไม่เวลาเป็นก่็เวลาตายจนได้นี่นแหละ เวนาได้มาอยู่ด้วยกันีควรพยายามให้เป็นเม็ดเป็นหน่วยในการประอกอบความภาคเพียรก็ขอให้ได้อย่าให้เสียทีที่เดินมาอยู่ด้วยกันอะไรจะเป็นที่ระลึกยิ่งกว่าธรรมนี้ไม่มีในโลกนี้ทําเป็นสิ่งสําคัญมากเข้าถึงใจเธอะเมื่อทําเข้าถึงใจมากน้อยใจที่กำเริบสื่อสารอยู่ด้วยอํานาจแห่งที่เดชธรรมาชวาบีบบังคับเป็นปืนเป็นไฟจากกลายเป็นน้าดับไฟเป็นไประเดลําดับกำลับ อย่งเราดับได้หมดไม่มีสิน่นใดเหลือเลยเหลืออยู่เพีงพระขันร้วนๆเท่านั้นไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแฝงตัวขึ้นมาเข้าแทรกแทงจิตได้แล้วนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้หมดภาระหมดงานที่เคยตะเกียรตะการมาตั้งแต่เริ่มแรกประพฤตปฏิบัติล้มลุกผู้คลานมาด้วยความทุกข์ความลำบากลาบนพอมาถึงจุดจบแห่งงาน ขณะที่กิเลสสิ้นสุดลงไปแล้วเท่านั้นนั่นแล้วเรียกว่ามบุติตามธรรมะใจอย่างงานที่เราไปอุตส่าห์เบื่อบือนมาตั้งแต่ต้นมาถึงจุดจบในบัดนี้เพราะกิเลสตายหมดแล้วมันมีสิเลสเหลือภายในใจใ จ, จใเป็นอิสระเต็มที่มีไม่ต้องหาเรื่องความสุขไม่ต้องยุ่งเรื่องอดีตหรืออนาคตเรื่องภพเรื่องชาติไม่วุ่นไปเลย พอเทียทุกอย่างอยู่ที่จิตเวลานี้จิตมันกําลังหิวโหวยมันดิ้นรนกระวนกระวายฝัดแฝงอยู่ตลอดเวลาเพราะกิเลสพาให้มันดิ้นพาให้มันหิวยังไม่เห็นโทษเข้ามาเหนือจริงตองนี้มีแต่เรื่องของกิเลสเท่งนั้นพาให้เป็นเมื่อชำระกิเลสออกหมดแล้วไม่มีจไปดิ้นรนกระวนกระวายจิตไปคิดถึงเรื่องอดีตจิตไปยุ่งกับอนาคตยุ่งกับเรื่องเกิดเรื่องตาย นจะไปเกิดในภพใดชาติใดได้รับความสุขความสบายได้รับความลำบากลำบนที่ไหนบ้างไม่คิดให้เสียไปร่ำเวลาเพราะจิตรู้แจง้งเห็นจริงรอบตัวหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะมาแทรกหรือเพิ่มเติมได้อีกแล้วเป็นความพออย่างสมบูรณ์ด้วยความบริสิตทั้งจิต น, นี่คือคุณค่าหรือผลแห่งการพวทปฏิบัต มาด้วยความลำบากย่ำบนมีเวลายุติได้สิ้นสุดได้งานคือการตอดถอนกิเลสสึ้นสุดได้เมื่อถึงจุดนั้นแล้วจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพียงเป็นวิหารธรรมที่อยู่ในในขณะที่อยู่จิตนาครองขันอยู่นี่ก็บาเพ็งไปพอเป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่สมาระหว่างจิตตับขัน ทำไมจึงว่าเพื่อมีสมาล่ะคือให้ขันรงตัวพระธาตตามอายุไขัยของของหมันแต่หากว่าสมุขสมบัติหนักหนาที่การงานอะไ ร, ะไรๆมากๆนี่แพ้ก็จะไปแพ้ที่ขัน mm hmm. จิตที่บริสุทธิ์แล้วเอาอะไรไปแพ้ mm hmm. เอาอะไรไปชนะไม่มีคําว่าแพ้ไม่มีคําว่าชนะไม่มี mm hmm. คําว่ากลัวเป็นกลัวตายก็ไม่มีคําว่าตายว่าเกิดก็ไม่มีาา เ, มมเมื่อถึง ธรรมชาตินั่นแล้วไม่มีทั้งน้นในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมสันตมังสมาธิสมาบาัตินั่นเป็นวิหารธรรมของพระองค์ในระหว่างขันธกิตที่ยังคลองตัวอยู่เพื่อให้ถึงอายุขัยเท่านั้นไม่ห้หนักมากาตันท่าสารวกก้มเงนกันองค์ใดที่มี ความถนัดจกกัดเจรินที่เป็นนิสัยหนักแน่นในทางไหนท่านกำบังเพป็นท่านไปตามธรรมดาเปผู้ขับเข้าสมาพิสมสมัิดังพระมาหากรสปะเป็นต้นนะท่านเข้าสมาบัติได้ถึงเจ็ดวนันท่านถึงออกนะออกแต่นี่โรคสมาบัติหนึ่งผู้ที่ได้สมาบัติแปดเป็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่ได้ซึ่งเป็นปราหารโดยกันท่านก็ไม่จําเป็นต้องเข้าเหล่านั้นท่านพักจิตพักใจธรรมดาธรรมนาระหว่างขันธ์กับ ที่ปฏิบัติต่อกันพอถึงวันเท่านั้นนี่ท่านดำเนินมาแล้วที่จะไปแก้กิเลสตัวใดอีกในการประกอบความเพียรของประธานนั้นไม่มีแต่แก้ตัวไหนตัวไหนมันก็ทิบหายหมดแล้วหรือแต่ความบรสุทจิ์นวันเท่านั้นจะแก้ที่ไหนและคำว่าบริสุทธิ์แล้วนั้นจะมีการสถานที่เริ่มเวลาที่ไหนเป็นกำหนดกฎเกณฑ์เป็นที่ให้เกิด สัญญาอารมณ์ต่อท่านนิพานท่าไหนจะดีหรือนิพานท่าไหนจะเสียทีหรือตายท่าไหนดีตายท่าไหนไม่ดีท่านไม่มีตายท่าไหนก็คือพระอรหันต์ตายเราพูดว่าตายแต่าตายด้วยเหตุอุปติเหตุอะไรก็ตามตายด้วยการเจ็บไข้ด้วยป่วยอะไรก็ตามจะเข้าสมาธิจังหวัดหรือไม่เข้าก็ตามไม่มีถิ่งใดสําคัญทั้งนั้นไม่มีอันใดที่จะลบลนะ้างความเมตุนั้นได้เลย ท่านเป็นประหันที่เต็มตัวทุกการสถานที่ดิพกัเพสุยเจ้าลงเสด็จเข้าฌานสมาธิฌานบัรแล้วปริพานเป็นใน่าสมาธิภาหมันั้นนั่นเป็นลวดลายของศาสนาผู้เป็นครูเอกของโลกไม่ไทิ้งลวดลายตั้งแต่ขนาดตรัสรุ้แล้วสั่งสอนโลก จะด้วยพระอาการใดที่แสดงออกไม่เคยลดละนะความเป็นตาสดาเลยสัดโลกจะยึดได้ทุกพระอาการที่ทรงเคลื่อนไหน่เพราะเป็นศาสดาโดยเจ้าบุญทุกอาการเพราะฉะนั้นวาระสุดท้ายที่พระองค์จะป ร, ะริธธนิพพานพระองค์ต้องแสดงให้เป็นรวดลายของตาสดาเอกในวาระสุดท้ายด้วยเหตุนี้จึงทรงเข้าสมาบัติเข้าสมชายุติยฌานตัดยฌานตัติฌาน ขึ้นเป็นรูปประทานเป็นแล้วก็้าเข้าสู่อากาสาริัตรัตนาจินญานัมไตรอตนาอาจินจิญญานอั้นาเนริญยานะนาตินยานัตนแล้วก็เก้าเข้าสู่สัญญาเวททายุตานิโรจน์จนทระสงทั้งหลายที่ดุนในขณะนั้นเกิดความสงสัยถามพระอนุทธะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางปรัิตตวิชาคือรู้จิตของคนอื่นไม่มีใครเยี่ยมยิ่งกว่าพระอนุรธะเหล่านั้นก็รู้แต่พระอนุรธะนี้เลิศ ก, กว่าบรรดาสาวกทหลายในทางรู้จิตของคนอื่นแม้พระจิตของพระพุทธเจ้าซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในฌานนั่นนั้นพระอนุรธะก็ตามได้หม เมื่อเข้าไปถึงสัญญาเวทายตานิโรธดับสัญญาละเวทนาไม่มีอะไรเลอเวทนาในขันไม่ใช่เวทนาในจิตแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายสงสัยจีกอยู่นั่นเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าพู้นี้ผ่านแน่จึงถามพระนุท้าท่านไม่เรนนั่งเข้าส ม, มาธิสามาบัตลิลายแต่ทา่ทานรู้อยู่ตลอดเวลาท่านตามเสด็จพระจิตของพระพุทธเจ้า ในฌา น, นนั้นๆอยู่ตออลอดเวลาพอถึงขนนั้นนั้นแล้วเมื่อพระสงฆ์ถามว่านี่พระเมื่อพระท่านถามว่านี่พระพุทธเจ้าปฏิพานนั่นเลยบอกว่ายัางไงเวลานี้กําลังประทับอยู่ที่สัญญาเวทายตันนิโรธมีเวลาถอยออกมาก็บอกเวลานี้ถอยออกมาแล้วลงจนกรทั่งถึงระสมาชานั้นลงไปถึงพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาก็บอก แล้วเวลานี้ก้าเข้าสู่ปฐมฌานพุทริฌานปฏิฌ า, าก็บอกจตุฌานก็บอกจนมาทั้งออกจากระหว่างฌานทั้งสองคือรูปฌปานสี่อรูปฌปานสี่แยกในท่ามกลางมันไม่ติดไม่นิพพานในฌานใดทั้งนั้นเออที่นี่ปริพานแล้วนี่ไม่สามารถที่จะตามนำมาพูดได้อีกแล้ว แต่เป็นเครื่องบินก็เหมือนกับขึ้นบนอากาศว่างๆไม่มีก้อนเมฆผ่านมาเลยเราไม่อาจาสามารถจะทราบได้ว่าเครือบินนั้นเร็วขนาดไหนด้วยสายตาของเราเองนอกจากมีเครื่องบอกเครื่องวัดเท่านั้นเหมือนไม่ได้ไปไหนนี่ไม่มีสมมติเป็นเครื่องภาพถึงเมื่อเเขา้ามื่อออกจากสมมติแล้วเป็นสมมติล้วนๆไม่มีสิ่งภาพถึงเหมือนพระองค์ประทับ เสด็จเข้าฌานเสด็จเข้าผสมฌานทุต like like like like ิยฌานเลื nine, nine. Nine ่อยไปจนกระทั่งสัญญาเวทายต่างทธนี้เป็นสมมติทั้งนั้นพระจิตเป็นนิมมุติเมื่อเก้าวเสด็จเสด็จก้าวไปสู่ฌานใดคือจิตที่เบอร์พระจิตที่บริสุทธิ์พระจิตที่เป็นนิมุตินั้นก้าวเข้าสู่ฌานใดพระอนุทพะบอกได้อย่างชัดเจนนี่ก้าว่านั้นนั้นนั้นจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งสมมติสัญญาเวทายต่างยุทธแล้ทอนมา นั่นละกิตที่บริสุทธิ์ก้าวไปไหนผู้ที่รู้วรารรจิตผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางวรารจิตสามารถพูดได้ทุกยะกษเวลานี้พระสิริพระเจ้ากําลังเข้าฌาน น, าานั้นเข้าฌานนั้นเข้าฌานนั้นนั่นประจิตนันพอออกจากสมมุติแล้วก็เหมือนระบินที่อยู่กลางอากาศไม่มีอิไรพิพาทอยไม่ทราบมันล้วนอย่างไหนผ่านอะไรผ่านที่ไหนบ้างไม่รู้เพราะเพราะมีสมมุติ ค่า ม, มีสิ่งมาเกี่ยวข้องถ้ามีเมฆขันก็รู้มนจิตไม่มีสมมุติแล้วเราพิจารณาใหู้่ในขันนี้ ร, รู้ท่านหน่นั้นธรรมชาติีอยู่เวลานี้อาศัยขันเป็นเครื่องมือแสดงออกในกิตที่บริสุทธิ์ดวงนันถ้าพอปล่อยขันแล้วก็หมด บรรดาที่เป็นสมมุติทั้งมวลไม่ว่าหยาบละเอียดละเอียดแค่ไหนไม่มีในจิตดวงที่บริสุทธินั่นเลยจึงหาทางที่แสดงแบบสมมุติไม่ได้ที่มาพูดกันแบบสมมุติไม่ได้ดูที่นั่นอยู่ที่นี่ที่มันก็เป็นสมมุติที่นั่นจะเป็นสมมุติที่นี่ก็เป็นสมมุตินี่คำที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธินี้มาจากไหน ท่านมาจากที่เจิตดวงที่จิตเล็ดกําลังหุ้มห่ออยู่เวลานึ่งที่เล็ดมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จิตนี้แล้วมาคนิทานหรือความบริสุทธิ์จะอยู่ที่ไหนถ้านมาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นจึงต้องแก้กันลงที่นี่อย่าไปมองอื่นให้เสียเวลาเวลาคาดคะเนเดาไปด้นไปใช่ไม่ได้เลยเอาความจริงลงตรงนี้กันให้เป็นที่เข้าใจทำไม่จึงได้ยินนั่นแต่ข่าวท่าน หลุดพ้นจากทุกนวัตตาสงสารสําเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่และสาวกองคนั้นสําเร็จที่นั่นที่นี่เราทําไมมันสําเร็จไม่ได้มันเป็นเพราะเหตุอะไรเราก็คนคนหนึ่งธรรมะวินัยซึ่งเป็นเครื่องตากตรานี่เลสก็เป็นเครื่องมืออันเดียวกันนี่เลสก็เป็นประเภทเดียวกันทําไมแล้วเราคุแก่ไม่ได้ไมันทําให้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานี่เท่านั้นเหมือนกับทําม่มีปัญหาเป็นสวาคาทำแบบไม่ชอบแล้วชอบยิ่ง ม, มาแต่การไหน ปลาที่เรดดูได้ทั้ไม่มากทุกทิ่เรดประเภทใดเรียบหมดเพราะอำนาจของธรรมนี้ผู้ที่จะยกธรรมนี้มาเป็นเครื่องมือกําจัดที่เรดจะยกมาด้วยวิธีใดหรือจะยกมาด้วยความอ่อนแอด้วยความเห็นจะความเกลียดคร้านลขาขาดนี่เหรือถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปไม่ได้เครื่องมือจะท่วหัวอยู่ก็ปล่อยและฆ่าสืบเหยียบย่ทำทําลายได้เพราะไม่ยกเครื่องมือขึ้นมาต่ อ, ตอสู้ทําสระขาทําเซเรียน ได้็นคล่องฝากเหมือนนกขุนทองก็ตามไม่เกิดประโยชน์อะไรกิเลสไม่กลัวถ้าไม่ใช้การพิชปฏิบัติมีสติปัญญาศรัทธาอมเตรียมเป็นรั้มผ่านเป็ น, น, นเครื่องตรกตานอยู่อันนี้เป็นหลักใหญ่ไม่ว่าครั้งบุตรการไม่ว่าครั้งนี้ไม่ว่าครั้งไหนๆกิเลสจะกลัวแต่ทำเท่านั้นเอาคันให้จริงจังนีลูปล่อยวางกลับไปง่ายันปัญญาอุบายพูดไปวุน่นไปรุ่งไเหนื่อยเหนื่อยต้องหย